สมาธกับวิปัสสนาเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วก็ถ้าจะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ย เ, เป็นครั้งที่มนรูุษยว่ามนหลุดจากสมถะได้ได้มนว่าน่าจะ 100% เเซตเต็มเข้าใจแล้วว่า อ, อ, อาการแบบไหนคือสมถะหรือวิวปัสสนาก็แล้วมันเป็นสิ่งที่มนติดอยู่ในใจมาตลอดนะคะว่าตอนสมัยที่มนปฏิบัติ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 ที่หลวงพ่อสอนภาษาบาลีรูปนามนามรูปนี่แบบปวดหัวไปหมดบอกกลับไปบ้านนี่ บ, บ, บอกน้องสาวว่าส่งฉันมาเรียนกับหลวงพ่อทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเลยแต่พอเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วออมีความเพียรมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปีที่แล้วปีที่ผ่านมาหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นปีที่โยมปฏิบัติเรียกว่าค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ทิ้งออแล้วก็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 โยมคิดว่าสั ป, ปายะดีมากตั้งแต่ตามปฏิบัติกระหลวงพ่อมาสวนส้มที่เฟสโน่หรือว่าที่ชิคาโกเองก็ตามก็สู้ที่นี่ไม่ได้เลยนะคะถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องปฏิบัติห้องนี้โยมคิดว่าดีมากเพราะว่าอีกอย่างนึงสถานที่ ท, ท, ที่นี่มันเงียบด้วยแล้วก็คนพลุกพล่านน้อยเพราะฉะนั้นมนว่าเหมาะกับการที่ผู้ปฏิบัติะจะมาใช้ที่นี่แล้วก็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 เลยทำให้สูงเออวิธีนี้เนี่ยทำให้คนโง่นี่มันฉลาดขึ้นนะคะกออ็แล้อีกอย่างหนึ่งคือพอเราปฏิบัติไปได้เราอเอาแล้วตอนกลางวันเนี่ยถ้าเกิดวันไหนส่วนใหญ่เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยจะปิดประตูห้องตอนกลางวันแล้วก็เดินจงกรมอยู่ในห้องสร้างความรู้สึกตัวเพราะเรความู้สึกว่างานมันใช้ความคิดเยอะแล้วเราหนุดได้บ่อยเนี่ยสติมันหมดมันก็ต้องใช้ อ, อ่อ